Thank you. วันที่12เมษายน2541ทุกคนคาดไม่ถึงว่าหลวงตามหาบัวจะเปิดตัวออกมาช่วยชาติโดยออกมาประกาศว่าจะช่วยชาติด้วยเมตตาธรรมเพราะฉะนั้น12เมษายนจึงเป็นวันมงคลอันประเสริฐเพราะครบรอบวันเกิดโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวยาณสัมปโน ถึงวันนี้มีคณะศรัทธาและบรรดาศิทธานุสิ์ได้นำปัจจัยจากทุกสารทิศทุกระดับนับรวมได้เป็นพันล้านเชื่อว่าอีกไม่นานหากญาติโยมลูกหลานได้ถวายปัจจัยทยทานอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งหมื่นล้านอันยากยิ่งคงมีได้โดยไม่ยากเย็นสุขโขปุญญสะอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนาความสุขมาให้ส่วนการสละทรัพย์ผ่านหลวงตามาช่วยชาติไทย ผลบุญย่อมยิ่งใหญ่ดังเช่นการสะสมบุญนั่นแหละครับพระคุณท่าน ีาาฝั่งพระนิพพานอันแสนไกลยังไปถึงไม่พรั่นพรึงตั้งหน้าฝ่าขวากน้ำไม่เยาะแยะหยิบโยงทุกโมงยามจึงได้ทำอมตะพระนิพพานมหาสมุทรเต็มได้เพราะเม็ดฝนมหากุศลเต็มได้เพราะใจมั่นมหานครเจริญด้วยเพราะช่วยกัน พระมาหาบัวนั้นหลุดพ้นได้เพราะไฝธรรมกายท่านห่มด้วยศีลใจอันกิเลสพาดีดดิ้นท่านห่มด้วยธรรมท่านเอาธรรมห่มใจไล่กิเลสตั้งสติตามสังเกตไม่เหือดหายเสริมศรัทธาเพิ่มวิริยะเติมสติสมาธิปัญญาตลอดเวลาทุกอารยบทตั้งจิตคอยกำหนดอย่างขำำมักขมิ้นเอาเป็นเอาตายจนได้ใช้ในที่สุดโลกุตรธรรม ทำคําแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทยเมื่อได้ทำบุญกับผู้ประพฤติธรรมอันสูงลำ้ำที่กระทำพระนิพพานให้แจ้งแล้วใส่บุญที่ได้ย่อมยิ่งใหญ่และติดตามตัวไปโดยไม่ละลายสิ้นสูญถึงมีน้อยแต่ทำบ่อยย่อมเพิ่มพูนดังพระพิรุณ ญ, ญาติฟ้าเต็มมหาณที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 จะจนหรือรวยก็ช่วยชาติได้อยู่ที่ความมีน้ำใจไม่ใช่รวยหรือจนชาติเป็นของเราทุกคนจะรวยหรือจนก็ช่วยชาติได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมวันและโครงการช่วยชาติวันช่วยชาติคือวันช่วยไทยมีพระอรหันต์นำไปชาติและประชาชนชาวไทยย่อมพ่องใสโดยทั่วกันจากแรงบุญใหญ่น้อยที่ท่านทยอยสร้างสม และจากแรงกุศลเจตนารมที่ท่านทยอยสร้างสรรค์ด้วยการถวายทานผ่านหลวงตามาช่วยชาติอย่างเต็มหัวใจเต็มศรัทธาโดยตลอดมานั้นบัดนี้สวรรค์ทุกชั้นรับรู้หมดแล้วเพราะกุศลอันแน่แน่วที่ท่านได้ทำไปแล้วกับเนื้อนาบุญอันอัมภัยดังพุทธภาสิต ท, ที่ทรงกล่าวไว้ว่าสีละวะโตทินังมหาพลังทานที่ให้กับผู้ที่มีศีล ย่อมมีผลมากดังนี้แลเมื่อรู้แล้วย่ารีรอทราบแล้วหนอจงรีบเร่งไปทำบุญกับหลวงตามาช่วยชาติของเราเองอย่ามัวแต่เกรงใจกิเลตกันอยู่อีกเลยพระคุณท่าน